สองร้อยเอ็ดรวมเรื่องที่มีในกถินะขันธกัปเรื่องภิกษุชาวเมืองปาเถยะสามสิบรูปเข้าจำพรรษาณนะเมืองสาเกตออกพรรษาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยทั้งจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำเรื่องอานิสงส์กถินห้าอย่างคือหนึ่งเที่ยวไปไม่ต้องบอกลา 2. ไม่ต้องถือไรจีวรไปครบสรับ 3. ฉันคณะโพชนะได้ 4. ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ตามต้องการ 5. พวกเธอจะได้จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นเรื่องวิธีกรานกะถินและยะติทุติยกรรมวาจาสำหรับกรานกะถินเรื่องกะถินไม่เป็นอันกรานคือ 1. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงมีรอยขีดสองกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงซักผ้าสามกระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงกะผ้าสี่กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงตัดผ้าห้ากระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเน่าผ้า 6. กะถิน ไ, ไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเย็บผ้าเจ็ดกะถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำลูกดมแปดกะถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำรังดมเก้ากะถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาดสิ บ, บ, บ, บกะถินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาดด้านหน้า11กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงดามผ้า12กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงย้อมผ้าเป็นสีหม่น13กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิตได้มา14 กะถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่พูดเรียบเคียงได้มาสิบห้ากะถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ยืมเขามาสิบหกกะถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน 17. กะถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เป็นนิสสคี1ิ 18. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ทำพินทุ19กถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากสังคาติ20กถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากอุตตราสง21กถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากอันตรวาศก22กถิน ไม่เป็นอันกรานเว้นจากจีวรมีขันห้าหรือเกินหซึ่งตัดดีแล้วทําให้มีมนทนเสร็จในวันนั้น 23. กถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากบุคคลกาน 24. กถินไม่เป็นอันกรานโดยชอบถ้าภิกษุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากถินนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าย่อมไม่เป็นอันกรานเรื่องกะถินเป็นอันกรานคือ 1. กะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่สองกะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเทียมใหม่สามกะถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเก่าสี่กะถิน เป็นอันกรานด้วยผ้าบางสุกุล 5. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ตกตามร้าน 6. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทานิมิตไดมา 7. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเลียบเคียงไดมา 8. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืน 10. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่เป็นนิสักี 11. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำผินทุ 12. กระถินเป็นอันกรานด้วยสังคาติ1 3กระถินเป็นอันกรานด้วยอุตราสง 14. กถินเป็นอันกรานด้วยอันตรวาศสิ 15. กถินเป็นอันกรานด้วยจีวรมีขันห้าหรือเกินห้าที่ตัดดีแล้วทำให้มีมนทนเสร็จในวันนั้น 16. กถินเป็นอันกรานเพราะมีบุคคลกราน 17. กถินเป็นอันกรานโดยชอบ ถ้าภิกษุผู้อยู่ในสีมาอนุโมทนากระถินนั้นอย่างนี้ชื่อกระถินเป็นอันกรานเรื่องกระถินดอะด้วยมาติกา8ข้อคือ 1. กํากำหนดด้วยหลีกไป 2. กํกำหนดด้วยทรรมจีวรเสร็จ 3. กํกำหนดด้วยตกลงใจ 4. กํกำหนดด้วยผ้าเสียหาย 5. ากำหนดด้วยได้ทราบข่าว 6. กำหนดด้วยสิ้นหวัง 7. จ็ดกำหนดด้วยล่วงเขต 8. ปกำหนดด้วยเดาะพร้อมกันอาทายะสัตตกะว่าด้วยการเดาะกระถินด้วยการถือจีวรหลีกไป7กรณีคือ 1. ถือจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับ การดอกกรถินของพิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยการหลีกไป 2. ถือจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมาคิดว่าจะทําณที่นี้จะไม่กลับการดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทําจีวรเสร็จ 3. ถือจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมาคิดว่าจะไม่ให้ทํา จะไม่กลับการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยตกลงใจ 4. ถือจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมาคิดว่าจะให้ทาจีวรณที่นี้จะไม่กลับละกําลังทำจีวรเสียหายการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหาย 5. ถือจีวรไปคิดว่าจะกลับให้ทาจีวร น, นอกสีมาครั้นทำจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกรถินดาะแล้วการดอกกะถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากาหนดด้วยได้ทราบข่าว 6. ถือจีวรไปคิดว่าจะกลับ ให้ทําจีวร น, นอกสีมาครั้นทําจีวรเสร็จแล้วโอ้เออยู่นอกสีมาจนกระถิ่นดอกการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยล่วงเขต7ถือจีวรไปคิดว่าจะกลับให้ทําจีวรณนะภายนอกสีมาครั้นทําจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับ กลับทันกระถิ่นดอกการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่าพร้อมกันกันกบภิกษุทั้งหลายสมาทายะสัตตกะว่าด้วยการดอกกระถินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไปเจ็ดกรณีอาทายะฉักกะและสมาทายะฉักกะว่าด้วยการดอกกระถิน ด้วยการถือจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไป6กรณีและการดอะกระถินด้วยการนําจีวรที่ทําค้างไว้หลีกไป6กรณีคือถือจีวรที่ทําค้างไว้ไปอย่างละ6กรณีไม่มีการดอ์กําหนดด้วยหลีกไปอาทายะพาณวานว่าด้วยการดอะกระถิน ด้วยกรณีถือจีวรหลีกไป15กรณีเป็นต้นกล่าวถึงภิกษุถือจีวรไปนอกสีมาคิดว่าจะให้ทาจีวรมีสา ม, มาติกาคือ 1. กํากหนดด้วยทาจีวรเสร็จ 2. กํกหนดด้วยตกลงใจ 3. กํกหนดด้วยผ้าเสียหายกล่าวถึงภิกษุถือผ้าคิดว่าจะไม่กลับ ไปนอกสีมาแล้วคิดว่าจะทำมีสามมาติกาคือ 1. กําหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 2. กําหนดด้วยตกลงใจ 3. กําหนดด้วยผ้าเสียหายกล่าวถึงภิกษุถือจีวรหลีกไปด้วยไม่ได้ตั้งใจภายหลังคิดว่าจะไม่กลับมีสามในกล่าวถึงภิกษุถือจีวรไป คิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาคิดว่าจะทำจีวรจะไม่กลับให้ทำจีวรเสร็จการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทำจีวรเสร็จด้วยตกลงใจด้วยผ้าเสียหายด้วยได้ทราบข่าวด้วยล่วงเขตด้วยดอกพร้อมกับภิกษุทั้งหลายรวมเป็นสิบห้า ภิกษุนำจีวรหลีกไปและนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปอีกสวาระก็เหมือนกันรวมทั้งหมด15วิธีหลีกไปด้วยสิ้นหวังด้วยหวังว่าจะได้หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่างทั้งสมอย่างนี้นักปราดพึงทราบโดยในอย่างละ12วิธีภาสุวิหาระปัญจกะ ว่าด้วยการดอกกระถินเพราะหวังอยู่สบายห้ากรณีปลิโพธาปลิโพทะกระถาว่าด้วยปลิโพธและอปรลิโพธพระวินัยทรพึงแต่งหัวข้อตามเขาความเทินกาินะขันทะกะจบ